ธรรมจบเราก็ใช้แสงไฟฟ้ากันในกิจกรรมธรรมสวดมนต์บางคนก็ต้องได้จำได้อยู่ในสมองอยู่ในหัวมันจะมีภาษา ให้ได้ราลึกหยิบออกมาใช้เหมือนกับเล่นดนตรีจนชำนาญไม่ต้องดูโน้ตจากกระดาษมันอยู่ในหัว ฉันใกคดีการปฏิวัตธรรมก็เหมือนอย่างนี้ดูกายจนจำนานจนจำสภาวะได้มันจำได้สภาวะของการดูกายและจิตนเป็นปกติอย่างไรใหม่ๆสถิมัดูกายลึกรู้อยู่กกายมองปลึกตรงนี้ให้จำนานให้เป็นการปรากฏ เป็นการดนเดาไม่ได้เป็นการคิดเอาแต่เป็นการสัมผัสสัมผัสรู้สึกตัวจอมันรู้ตัวทั่วพร้อมจอมนันรู้ทั่วสัมผัสกายตั้หัวจหเจรท้าทั้งเจตนากําหนดและไม่ได้เจตนากําหนดมันรู้รู้และรู้ถูกธรรมะนี่มันต้องถูก ถูกแล้วก็ต้องดีดีแล้วก็ต้องถูกสัมผัสได้เลยธรรมะคือธรรมชาติสัมผัสได้ทันทีเป็นสัจจะสัจธรรมเป็นประโยชน์ดีแล้วก็ต้องถูกแล้วต้องเป็นประโยชน์สัมผัสได้แม่้งระดับที่เรีลวันนามาทำ ความคิดเป็นนามธรรมก็ต้องสัมผัสได้ดูกายเคลื่อนไหวเห็นจิตมันคิดสัมผัสได้ทุกคนใครที่หลงประโยชน์ความคิดก็แน่นอนนะไม่สุขก็ทุกข์อันเดียวกันไม่ทําดีก็ทําชั่วละอันเดียวกันที่ว่าอันเดียวกันเพราเป็นอาการของจิตหัวร้องก็ร้องให้ มันก็นมีค่าเท่ากันคือผิดปกติดังน้นควารู้สึกที่มันเป็นปกติตัวนะี้มันจึงมีคุณมีค่าเป็นธรรมะไม่ใช่บวกไม่ใช่ลบไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกมันเกิดจากการที่เราปลุกจิตให้ตื่นจิตให้ตื่นมันก็นรู้แล้วมันควรเลือกอะไร ก็ เ, เลือกที่จะใช้ชีวิตทำหน้าที่โดยไม่ต้องทุกข์ทำดีเนี่ยทุกข์ได้ทาดีทั้งน้ำตาแ้วทั้ทงทั้งนี้ดีแต่ก็แยงไม่อยากจะทำผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดอยู่นั่นนะ่ะคนมีปัญญาเอาผิดเป็นถูกทำแต่เป็นธรรมชาติแต่ไม่ใช่กรรม พเมเกิดจากกิเลสพาธรรมมันเป็นตัวปัญญาพาธรรมการเคลื่อนมือในกิเลสพาธรรมก็ได้นะเช่นออหาอยู่หากินในวัดมันอยู่ได้สังคมมันดีอยู่ที่นี่ไม่อดตายทําไปงั้นละทําไปวันวันึงแต่ไม่รู้ว่าทําทำไมเห็นก็เดินกันไปนะ่ยก็เดินตามๆก็ไปไม่รู้ก็เดินไปทําไม คุณค้าการเดินอยู่ตรงไหนจุดหมายปลายทางอะไรไม่รู้เรื่องเห็นก็จับกลุ่มประชุมกันรวมตัวกันก็ไปเยี่วเย้ยวกเขาด้วยไม่รู้ว่าเป้าหมายของยิมคืออะไรอาจจะตกเป็นเครื่องมือก็ได้ยกมือสิบสี่เชียงวาก็เหมือนกันนะมีปัญญาก็รู้ว่าทำทำไมไม่มีปัญญาก็ไม่รู้หรอกทำทำไมตอบได้ทาก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ว่าใหม่ๆต้องทา มันก็หาเงนินใหม่ๆต้องทำงานเพราต้องกินทุกวนันต้องใช้เงินทุกวันถ้ามันไม่ทำงานมันไม่ได้พึ่งตัวเองก็แบมือขอตังค์ผู้ปกครองพ่อแม่ก็เดือดร้อนก็นจึงต้องทำเอาเองใช้ชีวิตเอาเองหาอยู่หากินเอาเอง การเคลื่อนไหวยกมือแต่ละขนณะพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกอันนี้มันเป็นการจำลองเรียกว่าสมมุติให้จิตใจของเราไม่ได้แสดงตัวมาชัดๆอาการของจิตของใจแสดงตัวมาชัดๆเช่นความง่วงเนี่ยขณะ น, นี้นอนตื่นขึ้นมามนก็ง่วงได้เหมือนกันตอนนี้ใส่เก่าๆมัน มันยังแน่นมันยังหนามันยังเก่อมันยังยึดอยู่แล้วกันนิสใสพอตื่นขึ้นมาตีสี่ตีห้านง่วงได้เราก็มาฝึกเถรู้มันง่วงรวยตัวนี้มันไม่เหมาะที่จะใช้เวลานี้เราก็จัดระเบียบจัดวินัยให้กับมันปลอกตัวเให้ตื่นก็ลืมตาขึ้นมาการหลับตามันเป็นการทอดสะพานให้กับความง่วง การหลับตาเนี่ยความคิดเราลิมิตจะชัดมากเหมือนปิดไฟใายหนังเ่ยเมื่อเรารู้เทคนิคปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบลืมตาเราจได้ไปทํางานทําการเดินข้ามถนนขับรถขับเรือไปเหนือรองใต้อะไรก็ตามมันก็ใช้ตาลืมลืมตาดูมัได้เห็นความปลอดภัยความไม่ปลอดภัยตัวนี้แหละ มันเป็นการฝึกการหัดให้เกิดการใช้กายใช้ใจในโลกของความเป็นจริงถึงเวลาหลับก็บปิดตานอนตื่นขึ้นมาก็ลืมตาไปดูนั่นดูนี่ดูโลกอะนะดูให้มันเต็มหูเต็มตาจนเห็นทุกซอกทุกมุมนั่นแหละเรียกว่าท่องโลกกว้างหรือว่าทัศนาจรก็ไดนะ้วิปัสสนาคือการกลับมาดูข้างใน กลับมาดูจิตดูใจจะได้รู้จักมันนะเมื่อเรารู้จักก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้อาการต่างๆคุณธรรมต่างๆหรือธรรมะต่างๆให้เกิดคุณค่าเช่นความอดทนมีสติปัญญาห ย, ยิบมาใช้ทนการทำงานทำการไปสู่ความสำเร็จทนหรือว่า มีความขยันความขยันความขยันก็นเรียกวิริยะนะภาษาธรรมะมีวิริยะมีความขยันหมันเพียรเราขยันที่จะทำดีหรือว่าทำงานทำการในหน้าที่ใช้ความถูกต้องใช้กรอบต่างๆมากมายตามสมมติบัญญัติสมมติว่าดีสมมติว่าไม่ดีสมมติว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่ง งานเกิดขึ้นมาเต็มโลกจ้างให้เราไปทำงานแก้จุดอ่อนแก้ปัญหาแก้สําเร็จก็เป็นคนเก่งมีคุณค่าต่อหน่วยงานต่อสังคมแล้วก็ให้รางวัลให้โบนัสเราจนทั่งเราไปเป็นจุดใดจุดหนึ่งของหน่วยงานทำหน้าที่เป็นการเติมเต็มเป็นความสมบูรณ์แบบ มันเกิดขึ้นมาตามสมบัติบัญญัติของการงานในโลกใบนี้มากมายทุกๆอาชีพในโลกใบนี้นะมีเศรษฐีในทุกๆอาชีพมันจึงไม่ใช่ว่างานไหนดีหรือไม่ดีอาหารในโลกนี้เหมือนกันมันมีประโยชน์ทั้งหมดแต่ว่ามันเหมาะกับเราหรือไม่การเคลื่อนการไหวส14สีจังหวะนะอันนี้เป็นอาหารของสติ อาหารของจิตของใจเทีมเป็นความบริสุทธิ์นะทุกครั้งที่รู้สึกนะแต่ว่ามันจืดจืดเป็นอาหารที่มีรสชาติจืดจืดสุกทุกนิ่มไม่จืดนะมันบวกบวกลบๆ บ, บสุกสุกทุกทุกเนี่ยความขมขื่นความหวานหวานความหวานแววหวานฉ่านในจิตในใจอย่างเงี้ยหรือว่า รสชาติเผ็ดร้อนในจิตในใจเห็นไเช่นคนที่มีครอบครัวจะมีทุกรสชาติน่ะขมขื่นเค็มหวานมันมีต้มมีตุนมีห่อมมีหันมีทุกรสชาติอยู่ในชีวิตครอบครัวมีลูกลูกก็เด้อมันก็น่ารักดีนะแต่ท้ายสุดมันก็เด้อมันก็หวานอมขมกืน เกินไม่เข้าคายไม่ออกะอันนี้เป็นอาการของจิตใจสุกสุขทุกทุกบวกบวกลบลบมากมายแล้วกันการทํางานทําการทุกอย่างนั่นแหละเพราะะมันมีรสชาติจืดจืดของจิตอีกนแะต่มันเกิดจากความเป็นปกติแล้วก็เกิดจากการให้อาหารนะที่ถูกรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนะ่ะมันจะรู้เฉยเฉยรู้จืดจืดตรงนี้แหละจิตมันจะคุ้นขึ้นมา มันจะจําสภาวะได้พอมันแตะสุขแตะทุกข์มันร้อนมันรู้สึกผิดปกติมันก็กลับมาทันทีไนงะใครจะไปเรีงทุกข์ถ้ารู้จริงๆไม่มีใครปล่อยให้เงทุกข์หรอกมันจะเป็นเรื่องเี่เจะต้องทําประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ตนกันอย่างเต็มที่เลยวิธีเคลื่อนไหวสร้างจังหวะนี้เป็นแนวเคลื่อนไหวหลวงปู่เทียนจีเซาโพลนะท่านมีความสําเร็จสูงใช้เวลาสองวัน มีวันหนึ่งท่านโกรธเมียจากวันที่ทําบุญเราทำดีสูงสุดคือทอดกรถิ่นนะนะคนที่เป็นผู้นําการทอดกรถินเนี่ยถือว่าเป็นคนเก่งการจะรวบรวมคนเอาตังของคนอื่นมาใส่กระเป๋าเอามาอยู่ตรงหน้าหรือว่าเอามาเพื่อที่จะบอกว่านี้อาจจะไปทําบุญเนี่มันเป็นเรื่องของคนที่ต้องมีกําลังน แสดงออกถึงความสามารถหรือว่าความน่าเชื่อถือออกมาเป็นที่ยอมรับหลวงปู่เทียนก็ีรจ้างกระถินห้ากองขึ้นมาเตรียมทอดกับวัดห้าวัดนะกระถินห้ากองปรากฏว่าโกดอย่างหนักเนะมียบอกว่ามาถามนว่ามหารูศพเนี่ยเขาจะต้องจ่ายตังค์แล้วนะ จะใจเายังไงดีหมอลำจ้างมาในงานกระตินใครใช้ใจต่างๆนะปรึกษานะแค่ปรึกษาก็โกรธแล้วโกรธแสดงออกในยการไม่พูดเฉยนิ่งอันนี้ก็เฉยเหมือนกันนะโกรธแต่เฉยเหมือนกันไม่แสดงออกเรียนกะว่ามีมามีฟอร์มบางคนเก็บกฎเนะฉยเกลียดเฉย กลัวเฉยอีกหลายๆอย่างแล้วมีม่นมีฟอร์มเก็บอาการจะเป็นนักมวยถูกชกนิ่งแต่จะล่วงอยู่แล้วแต่นิ่งเมียก็รู้พฤติกรรมเคยถามเคยตอบเคยถามเคยตอบถต่หลวงพเทียนเลือกนิ่งเก็บกดเมียก็เลยถามว่ากดค่อยแม่นบ่แม่นแล้วกดเจ้านั่นแหละ อา้าถ้าโกดค่อยทําบุญครั้งนี้ก็ไปนรกแล้วนะไม่ได้บุญเลยทำบุญครั้งนี้ไปนรกชัดๆนะคนมีปัญญาหลวงพุเทเ x ียนได้ยินแล้วก็พูดถูกชงงะงด์เมียพูดได้ถูกเวล่ําเวลามันก็ปิงขึ้นมาโอ้เราถอยกระถินมาตั้งนานแล้วนะทําบุญทาทานเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําชุมชน แต่วันนี้เราทำดีแล้วยังทุกข์อยู่ตัดสินใจความโกรธมันทำให้จิตใจของเรามันหนักตึบเลยลเราะเราต้องจัดการกับมันให้ได้ต้องปฏิบัติทมเคยสนทนาธรมกับพระพระก็บอกว่าคุยกันทั้งคืนมันก็ดับทุกข์ไม่ได้หรอกพูดกันร้อยคำพันคำสู้ไปทำครั้งเดียวก็ไม่ได้ปฏิบัติเอา อยากรู้ก็ปฏิบัติเอาไม่ใช่ไปนั่งถามนั่งตอบกันคือหลวงพูเทเดียนมีเรือคนไฟอ่ะนะบางทีพระก็อาสัข้ามน้ําจากฝั่งไทยไปลาวในชะ่แล้วก็นั่งเรือก็สนทนาธรรมกันบางทีทั้งคืนก็ไปนะไปสนทนาธรรมกันพระก็โอ้ยพูดคุยถามตอบกันแค่นี้ไม่บรรลุธรรมเราต้องไปทําเอาหลวงพูเทเดียนก็เลยตัดสินใจเลย ต้องปฏิบัติก็เลยออกไปไปฏบัติจริงๆเหมือนกันวางงานวางการวางบ้านวางทรัพย์วางคนรอบข้างวางสังคมนะไปเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแต่สมัยก่อนนะก็มีการเคลื่อนไหวแล้วมีคําบริกรรมไปด้วยนะติงนิ่งติงก็ไหวนะใส่สารนิ่งก็นิ่งติงนิ่งอย่างเงี้ยมีคําบริกรรมติดขณะที่รู้สึกตัวนะ ติดครบริกรรมไปด้ติงนิ่งหลือทีมันมีคาว่ายกทิ้งก็ตายตายตายมันตายมันตายมันตายอย่น้บริกรรมลงเตียนตัดทิ้งมันต้องมานั่งคิดตำไมน่ยตายมันก็คือคิดเคลื่อนไหวติงนิ่งอันนี้มันก็คือคิดก็เลยยกคำบริกรรม คำบนใช้คำว่าบนทิ้งออกไปใช่เหมือนกับเวลาเราเอามือไปจับสิ่งของเนะี่ยถ้าเราสัมผัสต ร, ตรงๆเลยไม่ต้องใส่ถุงมือนะมันก็ชัดเจนนะแะแต่ถ้าใส่ถุงมือมันก็ไม่ชัดคำบริการเหมือนเหมือนกับเราไปใส่ถุงมือแล้วก็จับของนั่นแหละมันไม่เป็นความรู้สึกตรงๆอะ แต่การที่เราสัมผัสลงไปเนะี่ยมันตรงๆ ร, ระหว่างสัมผัสรู้กับคิดรู้มันคนละตัวกันเวลาเดินนะให้เอาสัมผัสเท้าเดินจริงๆไม่ใช่คิดว่าเรารู้สึกไม่ใช่คิดว่ารวยคิดว่าสวยคิดว่ามีตังค์แล้วมันมีไหมมันไม่ใช่ของจริงอันนั้นเป็นเรื่องของความคิดหลวงพ่อเตียนกันเลยนะสัมผัสแค่สองวันเองรู้เรื่องเลย เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอ๊ะเห็นความคิดอย่างเงี้ยรู้ทันความคิดแต่ว่าใหม่ๆมันก็จะไม่รู้ออนะใหม่ๆหม่มันก็เออมาเกาะกับความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวกันหนึ่งขนานึงประเดี๋ยวนก็ไปเกาะอยู่กับความคิดตามนิสัยความเคยชินเก่าๆกระโดดไปกระโดดมาชักกระเยาะอยู่นั่นแหะจนกระทั่งมันเริ่มรู้สึกตัวเป็น มันรู้เป็นเปรละเป็นเปราะเป็นเปละมันรู้เป็นคณะเป็นขณะเป็นขนาดเ น, นี้ยตรงนี้ลำจะเริ่มสนุกแต่ยังจับไม่ได้เนี่ยโอ้หเดี๋ยวความง่วงก็มาเดี๋ยวความคิดฟุ้งซ่านก็มาเดี๋ยวความสงสัยก็มาการไม่าบายก็มาอะไรแบบนี้วเวลรทำขวางติดกึกติดกึกอยู่แล้วนะี่ยมันไม่เข้าถึงตัวสัมผัสที่กายรู้เนื้อรู้ตัวอย่างตรงนี้หละเราจึงมาฝึกมาหาดกันให้เวลากับตรงนี้ ไม่ทําอย่างอื่นก็ได้เหตุที่ว่าต้องรู้เรื่องตรงนี้ก่อนคำว่าตรงนี้ตรงนี้ก็มาให้ถึงรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะก่อนรู้จืดจืดรู้เฉยเฉยตงนั้นให้มันได้สัมผัสซะก่อนจนจําสภาวะได้ตอนนี้ก็ไปทํางานไปเลยพอจําได้ไปทํางานมันจะรู้ว่าเออปกติไม่ปกติบางทีก็จมไปกับงานจมไปกับการทําดีจมกับไปความสําเร็จต้องสําเร็จทําแล้วต้องเสร็จต้องเสร็จต้องเสร็จ งานมันเสร็จทุกวันเสร็จแค่ไหนก็แค่นะั้นเสร็จทุกวันเดี๋ยววันใหม่ก็ทาต่อไปแต่บางทีมันพลุงพลังเรื่องที่บ้านมาที่ทํางานเรื่องที่บ้างานไปที่ที่บ้านจะนอนเล่าเรื่องงานมาคิดอีกอย่างเนี้ยมันกลับไปกลับมาอยู่ที่ทํางานก็มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องร้านตามมาปัญหาหนี้สินตามมาแทนที่จะเฉพาะเฉพาะหน้าทํางานอย่างเงี้ย กลับไปบ้านเก่าเรื่องงานหอบกลับไปทําที่บ้านอีกไม่กระทั่งมาวัดก็ตามปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกตามมาอีกนปัญหาเรื่องลูกมีลูกมีปัญหาเรื่องลูกก็ตามมามีปัญหาเรื่องสังคมครอบครัวนทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรมีคู่อริมีศัตรูเวลาปฏิบัติการก็โผล่พุดขึ้นมาโกรธได้ไหมนะ หลุมร้อนได้ไหมงดงิดได้ไหมอันนี้ถือว่าดีนะขนาดปฏิบัติแล้วยได้เห็นมันนะว่ า, ากาเหล่าเนี้ยต้าเราไม่ปฏิบัติมํา น, น่ากลัวขนาดไหนนะขนาดปฏิบัตนะิตั้งใจปฏิบัติมันยังเอากันไม่อยู่เลยทนะลักทะลวงมาความคิดเนี่ไหลามายังกับแม่น้ํานะมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกบางทีพร้อมไม่ไหลนะมันก็ติดความสงบกึกเลย ลังแช่เนี่งเงียบนะอร่อยมากนี่งเป็นสมรรถกรรมฐ า, านเราก็จึงเคลื่อนไหวให้เป็นเคลื่อนเป็นเปราะเป็นเปราะเป็นเปราะเคลื่อนหยุดเคลือ่อนหยุดเคลื่อนอยุดตรงนี้นะเราก็จึงเรียกว่าทำเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการทำให้มีการสังเกตลงไป การสังเกตอาการของจิตของใจเรานําเป็นยังไงเวลาคิดแวบคิดแวบนั้นเป็นยังไงอันนี้ละเอียดเวลาบ้าใบหลงลืมเนื้อลืมตัวนัอันนี้มันละเอียดตอนนี้ร่างกายเคลื่อนไหวนี่หยาบมันเป็นยังไงมันเก๊กมันเกร็งมันไหวมันนิ่งมันกระทบอ่อนกระทบแข็งนําเป็นยังไงสัมผัสแต่ละขณะร่างกายทั้งราหัวจรดเท้านําเป็นยังไง เรานั่งเหมือมันเคลียดมันเค้นมันเก๊กมันเกรงมันเป็นยังไงมันเพ่งมันจ้องมันเป็นยังไงให้สังเกตมันจะปรับสมดุลจนเกิดการวางกายวางใจไม่ใช่อยู่ๆไปคิดวางนงไม่อยากคิดเออวางความคิดเออร่างกายของเราเออมันวางกายแล้วไปคิดเอาแต่ยังนั่งแบบเก๊กเกงอยู่เลยฉันไม่โกรธหรอกก็เห็นกันอยู่ว่าน้าตาแบบนี้ไม่โกรธเรียกว่าอะไร ฉันไม่ทุกข์หรอกอ๋อหน้าตาอย่างเงี้ยดำปีงเงี้ยมันไม่ทุกข์เราเรียกว่าอะไรบางทีเมาก็ไม่รู้ว่าเมาคิดอยู่ไม่รู้ว่าคิดอยู่เียเราก็จึงต้องเข้าถึงตัวสัมผัสสัมผัสแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะะรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติเป็นกรรมฐานที่เป็นลักษณะของ กรรมฐานปฏิบัติการก็เลียกวาปฏิบัติธรรมนั่นแหละไม่ใช่กรรมฐานวิชา ก, การนะแต่ขณะนี้มันเป็นกิจวัตรประจําวันที่ต้องมานั่งเทศให้ฟังเฮเธอหลวงพอ่ออมเขียนท่านไม่อยู่หลวงพอ่ออมเขียนท่านไปที่โรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาเจ้าให้พรมนายการก็เคยมาฝึกอยู่ที่นี่ปฏิบัติธรททรม มเบิดอยู่ น, นี้โรงพยาบาล น, นีแปลกอยู่อย่างก็คือเขารักษาโภชภากายก็เหมือนกับโรงพยาบาลทั่วๆไปนะแต่ใช้วิธีที่มันไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบันทางตะวันตกอย่างเดียวก็ใช้แพทย์แผนธรรมชาติบำบัดเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนเอามาประยุก รักษาคนไข้ที่เรียกว่าครบวงจรนะนะครบองค์ของการรักษารักษาจิตด้วยมีเครื่องถ่ายว่าจิตของคุณมีพลังงานยังไงเหลือเท่าไหร่ที่จะใช้หลวงพ่อเขียนให้ท่านมีพลังงานทางจิตอยู่ที่ไปเช็คดูนะประมาณ 80% 80% ตามกำลังของเครื่องวัดนะนะมันมีหน่วยวัดมีมาตราวัดก็มันอยู่ แลามีกราฟออกมาเป็นกราฟแท่งแล้วก็กำลังกายเนี่ยมีอยู่ 20% นะก็คือแบตเตอรี่มันใกล้หมดแล้วร่างกายถ่าน้ำทาาไฟทา ด, ดินท่าลมมันหมดพลังก็เ็เสริมเติมทาดขึ้นมาในข้อแรกเขาทำนะก็ใช้เป็นศึกษากันเอาเองแล้วกันนะจะไม่เล่าให้ฟังแต่กำลังเน้นว่าเออมันมีสุภาพกายกับสุภาพจิตแล้วมีเครื่องมือวัดช็เข้ามาได้ชัด การนี้หลวงพ่อท่านก็เลยต้องไปเข้าคอร์สรักษาพลังกายของท่านนะ่กําลังกายของท่านก็นเริ่มเริ่มขึ้นมาสามสิบสี่สิบอย่างนะมันก็เช็คออกมาแบบนั้นเลยตรงไปตรงมาซึ่งก็แปลกดีแต่ก็ไม่แปลกมันสามารถวัดได้เช็คได้อย่างนั้นจริงๆตามเครื่องมือของวิทยาศาสตร์มันก็จึงมีน่สูบภาพกาย ฉีดดมอมทาผ่าตัดโรงพยาบาลก็ต้องดูแลรักษาหมอพยาบาลเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล้วมีหลายประแหนกหลายคนจ้องทั้งให้โรงพยาบาลดําเนินการรักษากระบวนการสาธารณสุขรักษาคนฉีดทมอมทาผ่าตัดตากการรุนแรงของโลกสุขภาพจิตก็ต้องนี่แหล ะ, จะเจริญสติปัฏฐานกันมีสติเลิกรู้ กายเห็นกายตามความเป็นจริงจะตั้งไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเห็นเวียนนาสุขทุกขนะ์ไม่สุขไม่ทุกข์นะตามความเป็นจริงไม่ใช่สดตัวตนบุคคลเราเขาเพราะถ้าเราเห็นแล้วเป็นกูเอาสุขเป็นกูเดี๋ยวได้ติดสุขกันพอติดสุขคันนี้กายเป็นคนเสพติดไปเลยอย่างเช่นบุหรี่เหล้าหรือว่ายาบ้าอะไร น, นี้โอ้โหรุนแรงมากเลยประเทศไทยจับกันไม่เว้นแต่ละวัน มีมูลค่ามากเม็ดหนึง่งรราคาเป็นหลักร้อยเท่าไหรก็ซื้อเม็ดละห้าร้อยก็ซื้อนะเม็ดละพันก็ซื้อนะหรือบางทีแลกกับชีวิตก็เอามันติดขนาดนั้นกาฟงกาแฟาผงชูรสสารพันธ์เลยหรือว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจการขายก็ใส่พวกสารเสพติดไปเยอะมากพวกคาเฟอีนพวกบางทีกัญชายาฝิ่นแบเ น, นี้ใส่ไว้ ให้กินครั้งเดียวแล้วก็ติดไปเลยระบบธุรกิจมันมีอยู่อยอยก็ยอมรับอยู่แล้วก็ให้ทําได้บางทีก็ยัดเงินบ้างแล้วก็ได้เยอะๆไปเลยอะไรพวกนีน้คนกินก็ติดกันใหญ่เลยบงทีก็เหมือนกับว่าเราก็งงตัวเองเช่นสารปรุงแต่งรสชาตินะพวกฟู๊ดไซด์พวกนี้มันมีอยู่มันก็ติดไปเลยระบบสมองระบบประสาท เราก็มาแก้กันแก้กันโดยการที้กลับมารู้เรู้ตัวนะให้ร่างกายของเรามันได้พักระวบปาาสานของเรามได้พักออกมาจากสารเสพติด ต, ต่างๆเพราะฉะนั้นวันสองวันสามวันนั้นมีอาการลงแดงเกิดขึ้นไหมเวลาเราปฏิบัติรรทำุกภาพจิตอาการทางเจิตก็แสดงออกมาให้เราได้เรียนรู้รู้จักเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเราต้องฝึกสติฝึกกรรมฐานวิชากรรมฐานก็คือยกไหวสร้างจังหวะ เคลื่อนไหวต่างๆเดินนั่งอ่านซ้ายแลวขวาหรือว่าหายใจอยู่การเคี้ยวฟันกระทบทฝึกสติได้หมดเลยหรือว่าเมื่อคืนเรานอนหลับอันนี้เป็นการฝึกสติเหมือนกันถ้าใครคิดมากก็นอนไม่หลับมันก็บอกถึงคนไม่มีสติและอีกอย่างคนไม่เคยทําความดีไม่เคยมีเมตตามันก็นอนไม่หลับฝั น, นฝันลายสะดุ้งวหวาดผวาน มันจะสะดุง้งตื่นตระนกตกใจนอนไม่หลับหรอกเพราะว่าเราไม่มีเมตตาขาดบุญจิตขาดบุญนอนไม่หลับก็ใครรู้ไว้อย่างนี้เลยนะมันขาดบุญก็นอนไม่หลับขาดเมตตามก็คิดอะไรมันก็คิดในแง่เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่ น, นเป็นทุกข์อย่างนี้มันจะแสดงออกมาจนกระทั่งเราได้เห็นตัวเองการ น, นั่งการนอ น, นอนการเดินการยืน สารพัดที่เป็นกิจกรรมทั้งวันน่ะมันมันจะเปลอง่ายคราวนี้เราก็มาฝึกมหาหัดให้มันรู้สึกสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกนนี่อันนี้ลำเป็นเรื่องของจิตใจตรงๆเก็เราได้ใช้เวลาหรือว่าพื้นที่ทุกตารางนิ้วเลยของวัดป่าสุกโตนะทุกๆ ก, กิจกรรมหน้าเตือนยาลมำเป็นเรื่องของการจร้างสรรค์ชีวิตของเราให้จิตใจของเรามันออกมาจากความทุกข์ ที่เกิดมาจากความคิดเนี่ยแล้วมันก็จะมีผลพวงนะคิดแล้วโกรดคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกลัวก็มีผลต่อตับะคิดแล้วกลุ้มคิดแล้วกังวลก็มีผลต่อม้ามคิดแล้วดีใจมีผลต่อหัวใจคิดแล้วเสียใจมีผลต่อกอดคิดมากๆากคิดไม่หยุดก็มีผลต่อโรคจิตโรคประสาทโรคสมองหมดเลยมันโยงหากันหมดเลยแล้วเราจะมีความสุขได้ยังไง ถ้าเราไม่ฝึกขันสติทำจนกระทั่งมันชํานาญจนกระทั่งมีอานิสงส์ของการฝึกสติเกิดขึ้นมาอานิสงส์ของการฝึกสติเนี่ยมันมีอยู่ชัดๆเลยนะองค์สมเด็จสัมมาจารย์ได้กล่าวไว้นะซึ่งเมื่อคืนก็เ า, าวัตถะวิโดมาเปิดดูประเดีคุณหมอเาถามถึงเรื่องรูปแบบการปฏิบัติหรือว่าวิธีคิดอโยนิสงฆิราชการเนี่ยนี้เราจะเชื่ออะไรดี ก็เลยเดินไปหยิบตำลามาตําราเอามาอ้างก็ได้เหมือนกันล่ะไม่ใช่ว่าอ้างไม่ได้มันมีอยู่ก็อ้างได้แต่ว่าเราไม่ได้เชื่อตำลาแต่ละเอามาอ้างแต่เราไม่ได้เชื่อนะว่าตําราก็ว่าไว้อย่างเนี้ยเพราะว่าคำพีนะมันก็ผู้รู้ว่าบันพบุรุษก็คิดก็จําก็พูดต่อต่อต่อต่อตต่อตกันมา คิดในสิ่งที่ถูกที่ต้อง่นะคิดดีกันนี้ถ้ า, าถ่ายทอดถูกต้องด้วยความทรงจำด้วยสมองมันก็คนฟังก็ได้รับประโยชน์ไงแต่กั น, นมก็มีวิวัฒนาการของการสืบทอดอรยธรมรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆโดยการจดบันทึกเอาไว้อย่างภาษาศาสนาบันทึกไว้ในแ บ, บลาร์นฉบับแรกของโลกเกิดที่ วัดอโลกาวิหารประเทศศรีลังกาประมาณ450ปีผ่านมาหลังจากองค์สมเด็จสัมมาของเจ้าดับขันบริ น, นิพานไปก็เป็นการจดบันทึกไว้ในไ บ, บลานมายุคปัจจุบันเป็นฉบับแรกของโลกนะที่พิมพ์เป็นภาษาหนังสือโดยการที่ห้าเนี่ยละเอาไพิมพ์แล้วก็แจกประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วก็เก็บไว้ด้วย ว่าฉบับสยามรัฐฉบับทุกวันนี้เป็นฉบับที่เราสังเยนาหนึ่งในโอกาสเจริญฉลองราชนีบ้างหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินบ้างครบรอบเท่านั้นเท่า น, นี้ของการคองราชับาลังนี่คันนี้ฉบับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเมื่อคืนห ย, ยิบเล่มที่สิบสี่แล้วก็เปิดไป หนาที่สอง้อออะไรไรแทนาทีนาทีสองพูดถึงการฝึกสติในหมวดที่เรียกว่าสามัมแยกปะเพที่เรากำลังปฏิบัติกันอยู่นะแต่ว่าพูดถึงเรื่องอันนี้สองการฝึกสตินะจำหน้าไม่ได้ก็พูดถึงว่าโอสมเดจสมะเจ้าพูดเลยว่าเราจะรู้ได้ การฝึกสตินะเจดวันเจดเดือน7ดปีเราจะรู้สภาวะธรรมที่มีอยู่ในตัวเรานได้คนที่ฝึกสติต่อเนื่องกัน7วันอย่างเร็วนี่นะรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องการเคลื่อนกันไหวการคู่เข้าเหยียดออกการเดินจงกรมเดินไปข้างหน้าถอยมข้างหลังอันนี้2มันก็คือหน่งเป็นผ้าลหันเลย เป็นพระละหันเลยสองเป็นอนาคามีหมายความว่าไงอัลหันก็คือไม่โกรธเลยอะจิตใจไม่โกรธเลยอนาคามีคือโกรธครั้งเดียวจบไปเลยเขาว่าเราทําไมวะครั้งเดียวเนี่ยแล้วก็จบไปเลยมันจะไม่มีว่าเขาว่าเราทําไมวะมันจะเลิมไปเลยในหัวใจของเรา เนี่ยเรียกว่านะครับมีทุกครั้งเดียวแล้วไม่ทุกอีกเลยภาษาศาสนาเรียกว่าเกิดอีกพบเดียวแล้วก็ไม่กลับมาเกิดอีกเลยถ้าคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วอีกทําไมก็ทํากับเราทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้เออไม่น่ากู้นี่มาเลยไม่น่ากู้นี่มาเลยคิดซ้ําคิดซากประเภทเนี้หมกมุ่นย้ําคิดย้าทําตอกย้ําตัวเองก็ทุกแล้วทุกอีกอันนี้มันเกิดในสมองขอเราเกิดในหัวเราะ เป็นภาษาถ้าเรารู้ไม่ทันก็พบชาตินั่นแหละแเราก็จึงยุติยุติกรรมในการใช้ธรรมให้เกิดความยุติธรรมยุติในการสัมผัสรู้สึกให้พวกเราได้สังเกตนะทุกครั้งที่เรารู้สึกกระทบสัมผัสรู้สึกทุกอย่างมันจบความทุกข์เก่าๆก็ไม่มีความสุขเก่าๆมันก็ไม่มา มมีแต่ของจริงที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยเป็นโลกความเป็นจริงแล้วเกี่ยวข้องกับทุกงสิ่งทุกอย่างในอย่างถูกต้องก็ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็หมาถึงอาการที่มันเกิดกับกายกับใจของเราเราไปเศษไม่ได้เราอยู่กับคนหลายคนเราอยู่กับวัตถุหนำำึ่งสองรูปธรรมนามธรรมหลายสิ่งหลายอย่างเราไปเศษไม่ได้เพราะไม่ใช่เรานะร่างกายเป็นก้อนธาตุก้อนธรรม จิตใจก็เป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเป็นธาตุรู้ไม่ธาตุว่างร่างกายของเราเป็นธาตุสีธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมแต่จิตเป็นธาตุรู้กับธาตุว่างจิตวิญญาณให้เราสังเกตถ้าเราหลงก็ไม่ว่างหลงก็เป็นสุขหลงก็เป็นทุกข์หลงก็เป็นโกรธหลงก็เป็นโลภหลงก็เป็นหลงหลงเป็นรักเป็นชังจากยาไปหาละเอียดนะเราก็จึงได้มาเห็นอาการเหล่าเนี้มันเกิดในจิตในใจในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา มันจึงเป็นวิชากรรมฐานนะผลทำให้เกิดาากวิปัสนาญาณขึ้นมาวิปัสนาญาณคือท่องกายท่องใจของเราท่องชีวิตจิตใจของเราโดยเพราะโลกความคิดความคิดมันสร้างโลกโลกเกิดจากความคิดความดีความช่วเกิดจากสมมติบัญญัติในความคิดกับตกลงร่วมกันไว้นะเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมมากวิไนวิไนคือนิตินัยหรือว่าศีล 2 27ร้อยยี็ดข้อสาร้อยี่สิบเจ็ดแล้วนห้าสปสิสอันนี้เป็นศีลสมมุติของสังคมแต่ภายในจิตใจของเราเนี่ยก็คือความเป็นปกติศีลก็คือความเป็นปกติของจิตไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกหรือว่าสุขก็รู้ทุกก็รู้นะตรงนั้นมันจะเกิดความเป็นปกติขึ้นมาไปในจิตใจของเราทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นต้องเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเป็นได้นะถ้าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวไม่เป็น อันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะมันจะสร้างปัญหาวุ่นวายต่างๆมากมายเหมือนกับไก่นะมันไม่ได้รู้เรื่องเลยนะมันติดเมตตามันติดการเพึ่งตัวเองไม่ได้มันติดอาหารติดผงชูรสก็ว่าได้มันถึงขึ้นมาเยือนอยู่วันนะี้เราเห็นไหมไก่มันมีเชื้อโรคต่างๆมากมายถ้าจะเลี้ยงไก่นะต้องจับอ า, อาบน้ําถาแป้งให้มันทุกวันเลยใครที่ต้องรับผิดชอบมัน อย่าให้มันขึ้นมาอยู่วันนี้นะเราจะเห็นเลยมันมีหมัดมีเห็บนะมีเชื้อโรค ต, ต่างๆมีปราชาตมากมายศัษ์สาราสิ่งนะแล้วส่วนใหญ่เราเนะเป็นผู้รากมากดีมากันอย่างเช่นเมื่อวานเราก็เห็นล้มีศาสาจารย์เกียรติคุณอนยะ่างเงี้ยมันที่สุดของทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกใบนี้นะในประเทศไทยได้วยซ้ำไปคนทำงานจะเป็นที่สุดเนะีนะ่ยตัวนี้อินซีอ่อนนก น, นะ ก็คืออยู่กับห้องแอร์อยู่กับความสะอาดปราศจากเชื้อโรคพวกนี้รองรับเชื้อโรคนี้เดี๋ยวตายง่ายๆเลยเราก็ต้องมองให้เห็นนะนะช่วยกันรักษาปกป้องกันตรงไหนคนอยู่ตรงไหนสัตว์อยู่อย่าไปอยู่ปนกันเป็นนาณ า, าสังวาสไม่ดีหรอกนะอย่างนี้ต้องอยู่ส่วนตัวนะต้องอยู่แบบประเภทเอกเทศไปนะต้องระวังยิงๆนะ มากเหมือนกันทีขึ้นมาเลยนะมันติดอาหารนะเพราะตรงนี้ต้องต้องรับผิดชอบกันอันนี้เป็นความละเอียดนะเยอะแยะมากมายแล้วกินเท็มใจเกี่ยวข้องา ก, กายวาจาใจก็เป็นพฤติกรรมอันนี้เราต้องมีวินยัยกข้มาเกี่ยวข้องข้อตกลงร่วมกันอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเวลาเก็บอารมณ์สี่สิบวันนะพอมากันนะโอจะตั้งกลางเต็นกันนะ ยังกระค่ายลาวอบพยศทีเดียวละทำกันที่กี่มันง่ายปฏิปทารำเนี่ยอย่างผมเริ่มทำก็เ ก, ก็บอารมณ์ผมก็ไม่อยากพูดเรื่องตัวเองแถลงนะเดี๋ยวมันจะเป็นการยกตัวยกตนสะเลดก็เริ่มขึ้นมาเลยเพอเค้นจำ อ, าอาดีตมาใช้ท่านนี้มันก็ไม่ให้พูดไม่พูดแล้ว แต่ก็เห็นประโยชน์อยู่พูดใหม่กันนะน้อนมันกิ่งไม้ถ้าใครเข้าไปที่ลานเห็นโคง้งจะเห็นนิมิติอาตมาสร้างอยู่อันนึงเป็นปูนแต่ว่าปันป้นเป็นขอนไม้ตนนีมน่มันสร้างอรอยให้การประสบการณ์ชีวิตขอ ง, ของตัวเองนะก็อยากแสดงเอาไว้เป็นหลักเป็นฐาน เก็บอารมณ์ครั้งแรก40วันของสุกโตนะอาตมาได้ใชนะ้การนอนง่ายๆการเก็บอารมณ์ครั้งแรกนะที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่ายางนะหลังจากปลูกป่าได้ประมาณ 3-4 ปีต้นไม้พอที่จะให้ร่มเงาได้อาตมาก็ใช้นะประสบการณ์โดยการที่ไม่ต้องมีอะไรเลย ถ้าจะมีก็มีผ้าสามผืนมีบาตโลกหนึ่งล้วดูวชีวิตจะอยู่ได้ไหมกะการเก็บอลมมีแค่นี้แหละเราก็เดินไปจะนอนตรงไหนนอนอย่างไรฝนมันตกก็ใส่นอนกับกิ่งไม้กิ่งไม้พอนอนได้เราก็นอนกับกิ่งไม้หลับบ้างตื่นบ้างสนุกดีล้วก็นอนเอาเอา สังกติเน่ะหนุนหัวเอาจีวรนพาดเลยคุมตัวกันยุงแค่นั้นนอนได้แล้วฝนตกมามาก็เดินไปเดินมาจะเอาอะไรดีไปเห็นไอ้ถุงพลาสติกกระชีกๆเอาไพอคุมตัวไม่ให้เปียกส่วนเนะก็ใช้อยู่แค่นั้น น, ะนอนบนกิ่งไม้พอดีก็ทำบ้านดินอยู่ด้านหลังเน่ะนะเป็นบ้านดินก็ใช้ไม้ไผ่สารกันเป็นประตู แล้วก็ใส่ไม่ได้ทำลาใหญ่เกินก็ เ, เอาวางไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์บันหลังอันวะก็เลยเอามาวางบนกิ่งไม้ประตูลเล็กๆประมาณเม็ด50คูณด้วย60 60คูณด้วยเม็ด50ตัวเรายาวเม็ด70 4เซนติเมตร มัจะเกินก็ น, นอนกดๆนิดนึงปากรครั้งนั้นได้รสชาติของการปฏิบัติมากเลยอย่างเนี้ยเพราะะนั้นชีวิตจริงๆมันง่ายเราได้เห็นจิตของเรามันคิดมากเรื่องการหาอยู่หากินนะปัจจัยสี่แล้วก็ขนไกวามากเลยอันนี้แหละเราก็จึงต้องมาฝึกมาหาดกันใช้ชีวิตยอย่างเงี่ยงง่ายอาหารก็บินบาบตามีตามได้มัดมือชด ไม่ขนขวายต้องไปหารสชาติซนะีเดินออกไปนอกว่าซื้อกาแฟรหรือว่าซื้อขนมนมเนยไอศครีมอะไรพวกนี้อันนี้มไปด้วยลักษณะขอตัณหาพาไปนะกิเลสพาไปมันจะไม่ใช่ปัญญาพาธรทำการที่เรามาศึกษาฝึกหัดเราก็ต้องเรียกว่ามีวินัยสักหน่อยเราได้เห็นธรรมะคือธรรมชาติในตัวเรานะากุศลธรรมก็แสดงออกกุศลธรรมก็แสดงออกเราได้ฝึกตนสอนตน ตรงเนี้ยนะนเราเลยใช้ลักษณะของธรรมมากกวิในไปด้วยกันกล อ, ขอ ม, ลมของชุมชนระเบียบของชุมชนโดยไม่ต้องดำรีขึ้นมาใหม่ใครทําอะไรก็ทําอยู่ที่นี่อยู่ไปวันๆไม่คิดว่ามาแล้วจะได้อะไรแล้วก็ใส่ความรู้สึกตัวนั่งเดินยือนนอนลงไปฝึกสติลงไปตรงนี้เราจละลัดสั้นๆเหมือนหลวงปู่เทียนทำภายในเวลาสองวันพระท่านเชื่อเจ้าสํานัก ท่านมีเงินไปหลักหมืน่นเคยได้ยินได้ฟังข้อมูลจากคนใกล้ชิดเสร็จแล้วท่านก็ไปจ้างเขาชงกาแฟอยากกินกาแฟก็จ้างเขาไปซื้อกาแฟจ้างเขารีดผ้าเอาผ้าไปซักอาหารอยากกินอะไรก็จ้างเ้าทําพลก็บอกว่าทําอย่างนี้มันก็จะเสียชุมชนหมดเลย หาอยู่หากินในวันๆเสียชุมชนเสียะระเบียบวินัยหลวงพุทเทียนก็ไม่ดื้อเลยนะเท่าที่ได้ฟังมาของหลวงพุทเทียนว่านอนสอนง่ายให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกทีนี้ท่านมีปัญหาอย่างหนึงก็คือมันเกิดความม่วงก้นมาอย่างรุนแรงเราก็เกิดเหมือนกันเวลาปฏิบัตินะใครๆก็เกิดผมรู้จักมาก็เกิดเหมือนกัขนขณะปฏิบัติใหม่ๆหลวงพุทเทียนเกิด ความง่วงขึ้นมาก็ทําตามความง่วงเลยนะพาตัวเองเดินไปที่กุติเสร็จแล้วพอไปถึงกุติก็ถามตัวเองเอา้าวมาปฏิบัติธรรมตั้งใจมาปฏิบัติธรรมแล้วมานอนโอ้มันน่าละอายที่สุดแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เดินออกมาตอนหลังก็ลุกนอนลุกนั่งลุกนอนลุกนั่งมันทะเลาะกันไปในจิตใจอ่ะนะอีกตัวก็บอกว่าเออนอนหน่อย ไม่ไหวมันง่วงเนี่ยอีกตัวก็บอกมาไปปฏิภาวนั่จะมันนอนได้ไงเหมือนกับคนบ้าอเหมือนก็เป็นบ้ากัน น, นะะตอนหลังตั้งกันเลยเอา้าอยากนอนก็นอนใช่แล้วนอนตื่นมาตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่นอนอีกต่อไปลหลังจากนั้นท่านก็ตั้งใจไปทำํำไปในวันเดียวท่านรู้รูปนามรู้เรื่องรูปเรื่องนามเอ๊ะมันเห็นเป็นรูปเป็นนามอย่างเงี้ยท่านพูดอย่างนั้นเราฟังแล้วเราก็ตื่นตาตื่นใจนะ ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเฮ้ยรูปนามรู้รูปรู้นาม้ำรูปทำน้ำทมแล้วมันรู้ยังไงต้องรู้สึกตัวต้องเคลื่อนไหวแล้วก็เคลื่อนไหวสิถึงยังไม่รู้เราเคลื่อนไหวระหว่างุวันลุงขึ้นท่านก็เห็นความคิดความคิดเดินไปเดินมันผักข้างหลังเราก็เอ๊ะมันเห็นความคิดอมันรู้รูปน้มแล้วก็เห็นความคิดเราก็เริ่มจําอารมณ์ปฏิบัติจากการได้ยินได้ฟัง ปฏิบัติทีแรกต้องรูรปนามก่อนอ๋ออะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามมันจะยังไม่เห็นความคิดเราฟังแล้วอ๋อเราก็รู้แล้วผมเรียกธรมาเนี่ยนะเสร็จแล้วเรารู้แล้วเราก็ไปทําเลยก่อเนี่ยแล้วของเราเมื่อไรจะเป็นรูปนามเว้ยทำใหม่ใหม่มันก็ง่วงง่วงก็ต้องผ่านทําใหม่ใหม่มันต้องคิดถึงศัตรูคิดถึงความไม่ดีความทุกข์เก่าๆของเราเราก็ผ่านผ่านมาก็คือไม่รู้ละมันคิดมากลับมาสัมผัสรู้สึกตัวก่อนน มันเกิดอะไรขึ้กลับมาเอาความรู้สึกตัวที่เกิดจากการสัมผัสก่อนจะทําอะไรนั่งเดินยืนนอนจะบินธบาบดจะเดินมารับอาหารจะเข้าห้องน้ำก็รู้สึกตัวไว้ก่อนเนี่ยมันเริ่มจับประเด็นเนี้ยมากขึ้นมากขึ้นมาเริ่มทํามีการกระทามากขึ้นมากขึ้นปรากฏมันก็ตื่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นของมันเลยมันทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็ปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมาของมันเองไม่ใช่ว่าเราไปทำํำมันเป็นของมันเอง ทุกครังที่รู้สึกตัวจิตจะตื่นขึ้นมาบางทีมีความคิดแวบๆเกิดขึ้นมาแล้วก็อ๋อมันมีละมีอาการว่าใบต่างๆที่เราเริ่มจับอาการของจิตได้มันก็จึงเป็นลนักษณะของลําดับขั้นตอนของการศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมดูกายไปดูกามาก็เริ่มรู้ทันความคิดอย่างนี้ยเริ่มรู้สึกตัวที่ฐานกายเป็นก็เริ่มรู้ทันความคิดว่าจะเริ่มมีพัฒนาการให้เราได้ะ เหมือนกับเกิดปิติขึ้นมาเกิดความภูมิใจขึ้นมาเกิดความสนุกนะมีความสนุกในการปฏิบัติขึ้นมาอารมณ์พวกนี้จะค่อยๆพาเราพาเราพาเราเดินทางสู่การพ้นทุกข์โดยไม่ต้องไปเหมือนกับว่าใช้วัตถุหนึ่งสองสามจากภายนอกบุคคลหนึ่งสองสามจากภายนอกใช้กายใช้ใจของเราที่มันมีอยู่แล้วอยู่กันเนื้อกับตัวอยู่ใกล้ที่สุด แต่เราไม่เคยดูมันเลยมันยากปากอคอกเราจะหาความสุขนะเราก็ไปหานอกตัวแต่ว่าความสุขมีอยู่กับตัวเราความเป็นปกติสุขนะจากการที่รู้สึกตัวเฉยๆมันมีอยู่จริงๆนะอะไรพูดมา45นาทนะีวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็เราได้มันก็ว่าปฏิบัติตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นเลยนะ ว, ว่าคอร์สนะเจดวันวันนี้เป็นวันที่สามของกําหนดการ เป็นวันที่สองของการปฏิบัติก็เข้มข้นกับตรงนี้นิดนอาการอะไรเกิดขึ้นมาล่ะคืออาการที่มันเป็นธรรมะธรรมชาติในตัวเราจัดระเบียบโดยการผ่านมาที่ความรู้สึกตัวตลอดการเคลื่อนไหวใจรู้ตัวเนี้นะก็ขอให้เราได้นสัมผัสกับธรรมสมควรแก่การปฏิบัตโดยตัวนักกันากาทุกท่านทุกรูปทุกนามเทิน